หนึ่งจุดหนึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้างดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดวงเล็บเปิดหนึ่งยี่สิบสี่มีนาคมสองพันห้า้อยห้าสิบในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทียี่สิบเอ็ดวงเล็บปิดธรรมะของพระพุทธเจ้าแจ่มแจ้งที่สุดธรรมะของท่านงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างหนึ่งคือที่ท่านแสดงธรรมจาก ท่านหมุนกงล้อของธรรมจักแล้วทันทีที่ท่านหมุนกงล้อของธรรมจักแล้วจะไม่มีใครต่อต้านได้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจอริยสัจนะคือเข้าใจธรรมจักนั่นเองให้ไปนั่งเถียงกับใครก็ได้อริยสัจนี่ครอบคลุมธรรมทั้งหมดไว้แล้วครอบคลุมธรรมะฝ่ายเกิดคือทุกข์และสมุทยัยครอบคลุมธรรมะฝ่ายดับคือนิโรธกับมรรคครอบคลุมธรรมะฝ่ายของกิเลสอย่างตัวสมุทยัย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 ฉะนั้นขยันนะขยันเรียนรู้ฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็เรียนอริยสัจด้วยการลงมือเรียนจากของจริงฟังหลวงพ่อพูดอริยสัจให้ฟังคือเรียนปริยัติลงมือเรียนอริยสัจด้วยตัวเองมีสติรู้กายรู้ใจไปนี่คือภาคปฏิบัติผลของการปฏิบัติมันจะเป็นรางวัลที่เราจะได้รับของเราเอง ของใครของคนนั้นทําแทนกันไม่ได้อย่าเสียเวลากับการอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ช่วยไม่มีใครช่วยได้หรอกต้องช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าช่วยเราได้แค่บอกทางหลวงพ่อก็จําพระพุทธเจ้ามาบอกพวกเราอีกทีหนึ่งงานของหลวงพ่อสิ้นสุดแค่การบอกนี่แหละที่เหลือพวกเราต้องทําเองนะวงเล็บเปิด 2. 15มิถุนายน2551จุดจุดนาทีสิบวงเล็บปิด ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเครื่องหมายคำพูดเปิดงามในเบื้องต้นงามในถามกลางงามในที่สุดปิดเครื่องหมายคำพูดงามจริงๆนะงามในเบื้องต้นคือสอนมีเหตุมีผลว่าเราจะปฏิบัติอะไรเพื่ออะไรและปฏิบัติอย่างไรงามในถามกลางคือสอนการแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องในระหว่างการปฏิบัติงามในที่สุดคือแจกแจงสภาวะซึ่งเราปฏิบัติเสร็จแล้วออกมา ชี้แจงธรรมะที่ประณีตพ้นจากโลกจากสงสารให้เราดูได้เพราะฉะนั้นธรรมะของท่านงามจริงๆไม่มีอะไรที่คลุมเคลือเลยตั้งแต่ต้นจนจบเพราะฉะนั้นถ้าเรายังรู้สึกว่าธรรมะเป็นของคลุมเคลือก็แสดงว่าจิตของเรายังไม่สมควรแก่ธรรมะเองแต่ถ้าจิตของเราสมควรแก่ธรรมะเราจะพบว่าธรรมะไม่ใช่ของคลุมเคลือแล้วธรรมะไม่ใช่นามธรรมที่จับต้องไม่ได้ธรรมะเป็นสิ่งซึ่งจับต้องได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ ได้รับประโยชน์จากธรรมะได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่พวกเราเองที่จะมีความภาคเพียรพยายามแค่ไหนเบื้องต้นพยายามฟังทําให้รู้เรื่องซสีก่อนเรียกว่าเรียนปริยัติเรียนปริยัติไม่ใช่แปลว่าต้องไปเรียนจนเป็นมหาหรือมีปริญญาอะไรเรียนปริยัติหมายถึงได้รับการถ่ายทอดให้รู้จักวิธีปฏิบัติอาจจะถ่ายทอดด้วยการเรียนคัมภีร์ในห้องเรียนก็ได้ด้วยการฟังครูบาอาจารย์สอนก็ได้นี่คือปริยัติทั้งหมดเลย ถัดจากนั้นเราต้องลงมือปฏิบัติเรียนแต่ปริญญาต์อย่างเดียวไม่พอฟังครูบาอาจารย์อย่างเดียวไม่พอบางคนเปิดซีดีหลวงพ่อทั้งวันทั้งคืนตื่นขึ้นมาก็ฟังไปหลับแล้วก็แล้วไปสว่างแล้วตื่นก็ยังได้ยินเสียงหลวงพ่ออีกจนกระทั่งหูร้อนนะไปทําอะไรก็มีเสียงหลวงพ่อคอยบอกไปเรื่อยๆอันนั้นก็มากไปหน่อยให้เอาเวลามาดูจิต ด, ดูใจตัวเองให้เยอะๆไว้ฟังพอให้รู้วิธีปฏิบัติแล้วก็เอาเวลาที่เหลือมาคอยรู้จิตใจของตัวเองไป พอติดขัดมีเรื่องสงสัยก็ไปเปิดซีดีหลวงพ่อฟังแผ่นไหนก็ได้นะไปสุ่มดูเถอะมีคําตอบทุกแผ่นแหละลองไปฟังๆนะเสร็จแล้วเราก็จะปฏิบัติของเราไปได้วันหนึ่งเราจะได้ลิ้มรสของธรรมะรสของธรรมะอร่อยรสของธรรมะวิเศษกว่ารสทั้งปวงในโลกเพราะว่ารสอย่างอื่นถ้าปริโภคซ้ำซากก็จะเบื่อใช่ไหมส่วนรสของธรรมะนั้นยิ่งซาบซึ้งถึงอกถึงใจขึ้นทุกทีถ้าเข้าถึงธรรมแล้วย่อมมีความสุขที่สุดเลย